มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคปัญญานนรุชนะปัญหาที่สาม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 ปัญญาบังเกิดกระทำกิจของอัตมาแล้วก็ดับอยู่ในกิจของอัตมากิจแห่งปัญญาอันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตนตา น, นจะได้ดับหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินมหายสวรรค์จริงตรัสว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้ายังปเนตังพลูสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า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 ได้แก่ปัญจินสียห้ามีสัตถินสี่เป็นต้นคนไข้ได้แก่ปุถุชนพระโยคาวาจรไปสั่งสอนให้จเจริญอินสีทั้งห้าเปรียบดุดกินรากยาห้าประการเมื่อปุถุชนนั้นรับประทานคือปรนิบัติในอินสีทั้งห้าราคาที่กิเลสสิ้นไปดับไม่ได้เกิดอีกชั้นใดก็ดี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 ขอบอพิจงรู้ในพระราชสันดานด้วยประการดังนี้พระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ทรงฟังข้อสมานัดในอุ ป, ปมาจึงตรัสว่ากาโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้สมควรแล้วปัญญานิรุษชนะปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้